พระธรรมเทศนาแผนที่75ระดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกุวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่3สิงหาคม2558มีชื่อเรื่องว่าฝึกฝนเพื่อชนะใจตนเอง วันนี้เป็นวันจันทร์ที่สามเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2558แรงสี่ข่ําเราเข้าพรรษามานี้เป็นวันที่สามพระในวัดของเรา49รูปปีนี้พระจำพรรษาแต่วันนี้ลงมาฉัน34รูปงด ไปสิหครูอาจารท่านก็คงจะทดลองเข้าพรรษาใหม่อย่างเตรียมพร้อมอยังไม่เข้าที่เข้าทางต่างคนก็ต่างเตรียมของใครของเราทางวัดของเราก็เช่นเดียวกันกําลังมองมอ ง, มองกันดูกันเพราะว่ามันเข้าพรรษาใหม่พระลูกหลานก็ มาจากจากตุรธิดศแต่ถึงยังไงอดบ้างอิ่มบ้างดีไม่มีปัญหาหรอกเพราะหลวงพ่อเคยอดอาหารมาแล้วถึงสี่สิบยี่สิบห้าวันหลวงพ่ออดอาหารนะเห็นในรูปของหลวงพ่อเนะ่ยหงพ่อเนี่ยผอมนะสมัยเป็นพระน้อยพระนมเพราะนั้นเรียกคูบาใหม่อดอาหารอาทิตย์ ถาวันเจ็วันสิบวันหลวงพ่อจึงไม่วิตกกังวลถ้าหาว่าอดอาหารนะถ้าหากว่าเราปล่อยปล่อยใจออกไปข้างนอกนะจิตใจปุงฟุ้งออกไปข้างนอกนะ่ยจะเหนื่อยแล้วก็หิวถ้าใจของเราอยู่ในเป็นสมาธิอยู่ตลอดข้าพเจ้าจะไม่ให้จิตใจปุง อ, อกฟุ้งออกไปข้างนอกนี่ให้มันอยู่เฝ้าบ้านอยู่ตลอด อยู่กับพุทธโธหรือให้มีสติในการเป็นอยู่ข่าวนั้นอดอาหารครั้งนั้นจะไม่เพลียไม่เหนื่อยไ ม, ไม่ไม่หวิวไม่โหยเพราะนั้นใจของเรามีส่วนมากๆอยู่นะในการเป็นอยู่ถ้าว่าเราปล่อยจิตใจออกไปข้างนอกเนี่ยปุ่มฟุ้งตลอดให้เหนื่อยในการอดอาหารแล้วก็อยู่ไมไ่นานอีกต่างหาก เพราะนั้นการอดอาหารหลวงพ่อจึงไม่ให้ตั้งสัจจะข้าพเจ้าโจูดอาหารเจวันข้าพเจ้าจูอดอาหาร10วันอย่าไปตั้งสัจจะนะี่ยลูกหลานนะี่เพราะหลวงพ่อเคยทํามาแล้วพอหังว่าเราเข้าไปภาวนาเนะี่ยมีแต่ตั้งสัจจะว่าข้าพเจ้าจะให้สติอยู่กับตนเองข้าพเจ้าจะให้ใจอยู่กับตนเองให้มากที่สุดจะไม่ให้ปุงฟุ้งไปทางอื่นให้อยู่กับ ก, บกรรมฐานพุทธโธเท่านั้น อันนั้นควรจะมีสัจจะนะแล้วก็ใส่ใจตลอดไม่ให้ใจของเราเผลอไปทางอื่นอันนั้นควรจะใส่ใจควรจะมีสัจจะนะแต่ว่าการอดอาหารอย่ามีสัจจะเพราะเหตุไรเพราะาบางทีอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเออเรียว่ามีปัญหาเออมแมลงปลอกแมลงปลองตกขาบกัด ล, ลักษณะอย่างนั้น่ะเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราตั้งสัจจะแล้วมันเสียความรู้สึก ในเมื่อเราทำไม่ได้ในที่เราตั้งใจไปแล้วเพราะเราอาศัยร่างกายเราจะไปตั้งสัจจะจริงจังขนาดนั้นไม่ได้แต่ว่าใจของเราถ้าตั้งสัจจะค่าไปเจ้าจะไม่ให้เผลอ น, นั้นเกิดประโยชน์เพราะว่าเราเข้าไปอดอาหารก็ไปบางทีวันสองวันมันเอาไม่อยู่ก็มีนะบางครั้งหลวงพ่อเคยเจอมาแล้วนะ ก่อนที่จะมาพูดให้พระลูกพระหลานฟังพอภาวนาเข้าไปเหมือนกับไม่เคยภาวนามาก่อนเลยมันสู้ครูนะพูดง่ายๆใจมันสู้ครูกิเลสมันสู้ครูเอเอากะบาฐานมาบดไหนมาใส่มันก็มันไม่ลงผลในที่สุดโอ้ไม่ได้ถ้าขืนสู้ต่อไปคงเป็นบ้านแน่นะ่กลับมาฉันอาหารเอาใหม่เอาใหม่พอกลับมาเดีนี้ ก็ตั้งท่าตั้งหลักในวันสองสวรค์เอาใหม่มันเป็นยังไงมันจุดนั้นอ่ะมันไปติดอารมณ์กับจุดไหนมันทํําทาไมจึงใจของเรามันจึงร้อนใจจึงมันจึงมันเอาไม่ลงมันจึงไม่สงบเนี่ยพอเข้าเนี่ตั้งท่าใหม่เข้าไปเขาเนี่ยกับอดอาหารเขาก่อนคนละเรื่องกันเีอะเนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะนะั้นอยู่ได้นานเถอะยู่แบบสบายดูใจใจของ เ, เองอยู่ตลอดะ นี่แหละอตอนนี้เมื่อเราตั้งจิตเดี๋ยวนี้หลวงพ่ อ, อยังจําไม่ลืมเอาเถอะข่าวนี้ข้าพเจ้าจะไปภาวนาอยู่ในป่าลึกๆอยู่ตามลําพังคนเดียวจะไม่เห็นใครอะ่ะแต่เนี่เราก็ไปเตรียมน้ําอะไรสมัยบ้านตาดมันไม่มีน้ําปะปาใช่ไหมละ่ะมีแต่น้ําเข็นเข้าไปเราเห็นหิ้วน้ําเข้าไป มาอยู่ในร้านในป่าใช้จักตรตุมนึงเราจะใช้แบบประหยัดนะจากนั้นเราก็เอาเถอะวันในข้าวพระเจ้าจะไม่เห็นเผลอนั่งภาวนาจะไม่ให้เผลอเลยตั้งแต่อดอาหารท่านอนหลับแล้วเ อ, อิดแล้วไปแต่ตื่นขึ้นมาจะพยายามจะให้อยู่กับกรรมฐานให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มีสติอยูในในกายของเราตลอด เราก็เข้าไปอยู่ในปา่าบวานปา่าบ้านตาดมันพระมันก็ไม่มากใช่ไหมสมัยหลวงพ่ออยู่ประมาณสิบมากกว่ายี่สิบองค์ตนเองมีพระฝรังต่างท่านก็ต่างภาวนาของท่านพระไทยก็ประมาณเท่าๆกันนะบางทีพระไทยอาจจะมากกว่าองค์สองสาองค์มากกว่าพระฝรังแต่ในหลวงพ่อก็ หมอบเรื่องราวให้หมู่หมดแล้วกิจวัดข้อวัดก็ตามกิจวัดองค์หลวงตาก็ตามหลวงพ่อจะไปอยู่ตามลําพังแะไปอยู่ภาวนาตั้งแต่ไปอยู่ภาวนาจะพยายามดูใจของตนเองไม่ใหม่นะโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะ่ะมันกระปงฟุ้ ง, งปุ๊บเออดึงหลักเข้ามากลับเข้ามากับเข้ามากับเข้ามาดูดู ด, ด, ดูสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้ า, ขา อ, อจนถึง ที่แรกมันก็เหมือนกับเราปล่อยวัวปล่อยวัวออกไปมันไปหากินข้างนอกเพราะนั้นเรามีสติเออมันออกไปวะดึงกลับมากลับมาหาหลักอพอกลับมาละมันจะไปอีกอดักดึงกลับมามันไม่ได้ไปไกลหรอกเพราะเรามีความพยายามอยู่ผลในสุดมันมาจากอยู่กับที่เพราะอยู่กับที่แต่เมื่อพอมันขยับก็รู้มเรามันจะขยับนะอ่าพอขยับก็รู้แล้วว่า ใจจะออกนะให้มาอยู่กับกรรมฐานะมีสติอยู่กับร่างกายของตนเองเอถึงจะบริกรรมและไม่บริกรรมก็ตามให้มีสติอยู่ในมีความรู้สึกอยู่ในร่างกาย เ, าเดินยโยกมโอุลูกหลานนะมีความสุขนะใจอยู่กับตัวเองนะจิตใจไม่ปุงไม่ฟุ้งนะมันคล้ายๆมันอยู่อยู่กับตัวเองตลอดอืแต่นี้ก็พอดูไปเออ คงได้จะออกไปแล้วลนะ่ะทีนี้จะออกไปฉันจังหารแล้วตอนนี้พราะว่าจะออกไปจะฉันจังหานกําหนดวันเท่านั้นะมันออกเลยเลยทีนี้จิตใจมันขยับออกดึงไว้ก็ไม่อยู่นะดึงเ อ, อพอขยับออกพอในสุดก็เลยออกออกออกเออเลยออกได้ก็ออกมาเลยออกมาฉันะแต่มันก็ไม่ปุงฟุ้งไปอย่างอื่นออกแต่ว่ามันจิตใจมันมันลังไม่อยู่เอ่อ ตอนที่เราจะเอาลัางอยู่พยายามพลังให้อยู่โอ้อยู่จิตใจอยู่กับตัวเองเนี่ยจิสัมปชัญญะมีความรู้สึกอยู่กับตนเองเนี่ยหลายวัน อ, อจําไม่ลืมกระทั่งทุกวันนี้นะลูกหลานนะเพราะนนในพวกเราพระเนนทุกองนะให้มีสัจจะว่าข้าพเจ้าจะไม่ให้เผลอถ้ามันเผลอข้าพเจ้าจะเอา ด, ดึงมาให้อยู่กับกรรมฐานเพื่อให้มีความรู้สึกในร่างกายของเรา ไม่ให้คิดไปปรุงพุงไปทางอื่นเนี่แหละจากนั้นก็ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเป็นหลักเดินกับพุโทโธนั่งกับพุโทโธนอนกับพุโทโธเปลี่ยนอริยบทไห น, นกบพุโทโธเพราะพวกเราปล่อยจิตปล่อยใจมานานเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่ปีนี่เราเคยทําอย่างนี้ไหมเราทดลองนะจีทําอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยอมันไม่เห็นไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหน ท่านว่าพยายามทําจิตใจให้สงบนัดทีสติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าจิตใจสงบไม่มีเราเคยพบเคยเจอไหมทดลองหน่อยสินี่แหละอยากจะให้พาลูกพาลานทดลองดูถ้านทดลองดูแล้วหลวงพ่อเองมั่นใจพาลูกหลานอึงจิตใจมีความสงบเนี่ยใจได้พักผ่อน ใจไม่ปุงไม่พุ่งไม่สัน้นไม่หิวไม่โหยไม่ออกไปตามอารมณ์สัญญาอารมณ์มีความสุขจริงนะพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองแท้ๆจิตใจอยู่กับตนเองดูรู้ใจกับกายกายกับใจใอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันนี่แหละนี่แหละคือวิธีการภาวนามีหลายแนวมีหลายแนวทางนะแต่ว่าการพูดการคุยการสนทนานั้น เป็นโอกาสที่มันจะเผย อ, ออกไปถลําออกไปได้ง่ายนะลูกหลานนะถ้าเป็นไปได้นะงดวาจาอย่าพูดงดพูดคุยเรื่องทางโลกงดไปก่อนนะถ้าเป็นหมู่เป็นเพื่อนเอ อ, เอในช่วงนี้เดี๋ยวผมหยุดพูดไว้ก่อนนะต่างคนต่างภาวนาเพราะผมมาภาวนาหมู่พวกเพื่อนทุกองให้ภาวนาด้วยนะนี่แหละถ้าหลงพระลูกหลาน ทำอย่างนั้นได้ก็ดีอย่างที่ญาติโยมมาจากกรุงเทพเมื่อกลับไปเมื่อวานเนี่ยพวกที่มาภาวนาเขาบอกว่าเขาถือเนชชิเมื่อคืนวานเนี่ยเขาไม่นอนตลอดทั้งคืนแล้วเขามาเขามาพักอยู่เก้าวันเนีย่ยพักอยู่เก้าวันไม่นอนอยู่สองคืนคือถือเนชชิ นี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการทดลองทดสอบดูทั้งอดอาหารด้วยเอาทั้งอดอาหารด้วยทั้งไม่นอนด้วยทดลองดูออหรือฉันอาหารเสร็จแล้วไม่นอนทดลองดูแต่ตามไม่จริงถ้าเราฉันอาหารมากๆโดยมา ก, ม, า ก, ม, ากมันจะง่วงนะการภาวนานไม่ต่หลับนะนะแต่เรื่องปัญหาเรื่องหลับโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะ สมัยเป็นพระน้อยพระหนุม่มหลวงปู่จามเนี่ยอายุสามสิบเก้าปีเนี่ยท่านบวชพอบวชเสร็จแล้วท่านก็ยังไม่ได้ขึ้นไปจังหวัดเชียงใหมป่ปีปีแรกและปีที่สองหลวงพ่อก็จําไม่ชัดนะท่านไปจำพรรษาที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรชบูรณนะ์ท่านก็เตรียมจะขึ้นไปทางเชียงใหม่นะแต่ไปไม่ถึงท่านก็ไปพักอยู่ที่นั่นก่อนไปภาวนาไปจำพรรษานะ ในพรรษาท่านก็ตั้งกิตอธิษฐานะข้าพเจ้าจะไม่นอนสามเดือนอะหลวงปู่จามท่านจะเอาแบบพระจักคูบาทนะอะท่านไม่นอนสามเดือนโอ้โหมันทกจริงๆท่านว่าน ะ, ะการที่ไม่นอนเพราะท่านนั่งภาวานานที่ไหนมีแต่หัวทิ่มหมอนอยู่ตลอดเอาธนาทําไมอยากนอนนักวะเอะข้าพเจ้าจะไม่นอนสามเดือนใช่ไหม ตั้งกิจที่ฐานเสร็จแล้วเอาล่ะถ้าวันธรรมดาถ้าฝนไม่ตกมันเป็นไร่าพอตอนข้ามมาแล้วกันลงไปเดินอย่างกลมถ้ามันเหนื่อยถ้ามันง่วงลบไปเดินไปเดินขึ้นมามานั่งในที่แจ้งแจ้งสว่างออกนั่งกันเดินแต่มันทารุ่นที่สุดก็คือวันฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะวะโอ้ออกไปก็ออกไปไม่ได้ฝนตกท่านนั่งเข้าไปกีแต่จะหลับลูกเดียว ยืนก็จะล้มทั้งยืนอีกต่างหากเอจนถึงไม่ไหวแล้วว่ามันทําไม่วะออฝนตกแรงๆเดือนเก้าเดือนสิบเนี่ยเดือนกันยาสิงหากันยาน้ํามันนองนะเพราะว่าวัดก็อยู่ติดติดติดกระท้องนาเขาอะล้วก็ติดกระท้องนาเขามันทําไมมันอยากจะหลับหนักว่ะไปดูซิเออเป็นนั่งเป็นนั่งอยู่ที่น้ําดูซิ อไม่ใช่ธรรมดานะหลบผู้จามแล้วนะทตนี้กับไปนั่งอยู่น้ํำน้ำกว่าน้ําใสๆน้ํำใสๆจะเป็นน้ํามันนองขึ้นมาใหม่น้ํามันใสจันนะก็ไปนั่งไปนั่งมันก็ตัวมันจะลอยใช่ไหมเพราะมันมันนั่งอยู่ในน้ําเนี่ยมันมันก็มันก็มันจะลอยถ้าก็จับต้นข้าวเอาไว้ต้นข้าวที่มันเป็นกอแล้วน่ะพอขนาดต้นข้าวประมาณมันก็ห่างห่องอะ พอจับต้นข้าวไว้เนะี่ยขนาดนั่นภาวนาดูลมหายใจก็ออกพุทโธพุทโธพุทโธขนาดนั้นนะมันยังหลับนะทันวานนะเออเอาหัวจุจ่มลงไปในน้ํา น, นมันหลับใช่ไหมคอมันจุ่มแล้วน้ําท่วมจมูกมันก็เกาะเพรพราพราะนั่งภาวนาน้ําเพียงคอเนีใช่ไหมเออนั่งน้ําเพียงคอเป็นนั่งตรงน้ําเพียงค อ, อก็อกลมก็เกาะ พอน้ำท่วมจมูกใช่ไหมมันหายใจไม่ออกมันกระก อ, อกเลยสิใช่ไหมเออพุโทโธพุโทโธต่ออีกโอ้แต่ที่มันลาคาญก็คือตัวกุ้งใช่นหมนะตัวกุ้งมันมาหากินพอกินแล้วเจ็บมันแทงมันแทงหนังของเรานะโอ้เจ็บทำว่าไง เ, เวลากุ้งเข้ามามันเอางุเอ า, เอาหนวดมันแทงเข้าไปนะ่จะรุ่งเลยใช่ไหมอืมเราก็พยายามเอามือไล่ๆออก แล้วก็ น, นั่งภาวนานี่แหละครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านทำพิธีทำพิธีเอาชนะความง่วงนะ่ะหลายๆแนวนะพาลูกพาหลานแต่เราพวกรอไปเอาถึงขนาดนั้นหรอกอย่าไปเอาถึงขนาดนั้นเถอะแต่ถึงยังไงอย่าไปตั้งอยู่ในอยู่ในที่อย่าไปนั่งอยู่ใกล้ๆใกล้ ๆ, ๆลิ้มกุฏิไม่ได้นะอที่มันจะหกตกลงไปนะี่ยมันไม่ฟังแท้ๆนะตกแน่ๆนะอันนี้ก็มีหลายองค์ มันทำให้มันง่วงนักนะเป็นนั่งอยู่ใกล้ๆ ใ, ให้มันตกกุฏิขาน้านะ่ะมันก็ตกจริงๆนยะเ้โอ้โหมีปัญหาขึ้นมาเยอะแยะเลยเจ้เลยเพราะนั้นอย่าไปอย่าไปเสี่ยงขนาดนั้นนะเพราะมันความง่วงนะความหลับนะมันไม่ได้เลือกสถานที่นะเพราะมันจะหลับมันหลับจริงๆเพรานนั้นให้แต่ถึงยังไงก็พยายามแต่พระโมกราอนะพร ะ, ะโมกรา พระอัครสาวกข้างซ้ายพระพุทธเจ้าพอบวชเข้ามาแล้วไปนั่งภาวนามันโงกง่วงก็ไปถามพระพุทธเจ้า พ, พุทธเจ้าวิธีแก้ ง, ง่วงทำอย่างไรพระองค์บอกว่าให้เป็นนั่งในที่แจ้งแล้วก็มองดูดาวมองดูท้องฟ้าในขณะที่มันง่วง อ, อย่าไปนั่งในที่มืดแล้วก็เอาน้ำลูบหน้าเอ า, เอาน้ำ เอาผ้าเช็ดมันชุ่มแล้วก็เช็ดหน้าตัวเองบ่อยถ้ามันงว่วงนี่แหละอันนี้ก็คือพระโมกขรารนะเทระเจ็ดวันท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระาราหันแต่เพื่อนพระสารีบุตรเนี่ยบวชพร้อมกันสิบห้าวันจึงได้สำเร็จเป็นพระาราหันแต่พระพระโมก พโมกคลาเนี่ยท่านภาวนาของท่านได้สําเร็จแต่พร ะ, พร ะ, พระสารีบุตรเนี่ยได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้สําเร็จเพระสารีบุตรเมื่อท่านได้สาเร็จตอนวันที่ได้ท่านได้สาเร็จหลานชายของท่านเห็นว่าหลวงลุงของตัวเองมาบวชแล้วก็สยกกับพระพุทธเจ้ามาบวชกับพระพุทธเจ้า ความในใจโมโหไอหลวงลุงโมโหให้พระพุทธเจ้าอีกต่างหากทําไมหลวงลุงของเราเนี่กระเดื่องเรื่องลือไปทั่วทุกสารทิศทําไมมาสยบให้แก่สมณะศาสนาใหม่ๆศาสนาพึ่งขึ้นมาใหม่ศาสนาพุทธทําไมจึงมาสยบมายอมถึงขนาดนี้ป้องผมอีกต่างหากแล้วเข้าไปเห็นหลวงลุงตัวเองถวายงานพัดอีกแต ก็คือพัดให้พระพุทธเจ้าอากาศคงจะร้อนนี่ที่ถ้ำสุกรขาตาใครโมโหความไม่พอใจมีก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพอไปกราบพระพุทเ้าก็ทีขนักขานะาเนี่ยแปลว่าเป็นผู้ไว้เล็บยาวศาสตร์เป็นศ า, ส, าสนาหนึ่งใครครับว่ามูดหนวดยาวมีไม่นุ่งผ้ามีไว้เล็บยาวมีลักษณะอย่างนั้นน่ะมีหลาย หลายนิกายหลายๆศ า, า, าสานาอยู่ในอินเดียมีทั้งแ ย, แยะไปหมดถ้าเราไปดูแล้วอันนี้เป็นนิกายที่ว่าเป็นศาสนาที่ว่าไว้เล็บยาวทีฆนาาักข่าเข้าไปไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทักทาปาศัยให้โอวาาสเพราะเขาคนเข้ามาหากันว่าเป็นหลานเป็นหลานของมภาษาลีบุตทภาษารีบุต ร, รทวายงานพัดอยู่ พระองค์ก็เทศให้ฟังแนวอริยสัจ ท, ทุกสมุทยัยนิโรธมักแต่พระองค์พูดไปก็จริงอยู่แต่ท่านก็รู้พระองค์รู้ว่าวันนี้สาริบุตรจะได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์พอพูดไปเทศไปทีขณิกากระพาขึ้นมาเลยพูดขึ้นมาแบบความไม่พอใจในใจท่านสมณะโคดม ที่ท่านพูดมาเนี่ยข้าพเจ้าไ ม, ไม่พอใจทั้งหมดในความคิดในในที่ท่านพูดออกมาเนี่ยข้าพเจ้าไม่พอใจทั้งหมด อ, อมันพอใจอยังไงผมไม่อยากเข้าใจเพราะมันมันความไม่พอใจมันมีอยู่แล้วพระพุทธองค์ก็บอกว่าทีขนะคา่ะเธอควรไม่พอใจในความคิดเห็นอันนั้นของเธออีกด้วยนะทั้งที่พระพองค์จะโกรธจะจะโมโหนะ ทีคณะเธอควรไม่พอใจในความคิดเห็นอันนั้นของเธออีกด้วยพอพระพุทธองค์พูดตรจบท่านนั้นภาษารลบุตรที่ถวายงานพัดอยู่ได้สำเร็จเป็นพระรหันในคำพูดคำนี้แหละให้แค่ขาบอกอันนั้นในใจของนั้นให้แค่เขาให้ปล่อยวางอย่าไปให้ความสำคัญในความคิดเห็นอันนั้น เพียงแค่นั้นสารีบุตรพระสารีบุตรได้สําเร็จเป็นพระหรหันในคาถาหรือในคําคมหรือคําพูดคํานี้ น, นี่แหละอันนี้ก็คือผู้ที่ได้สําเร็จเป็นพระหรหันไม่ใช่แต่ภาวนาพุทโธอย่างเดียวนะไม่ใช่ ก, กรรมบริกรรมกรรมฐ า, านกรรมฐ า, านนี่แต่ไม่จริงเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังขบวนพูดกันไปแต่ว่าจุดบางจุดนี่ พอได้ฟังธรรมเทศนาเทานั้นปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็สําเร็จเป็นพระหลานนี่แหละอันนี้ขอพวกเราลูกพระลูกพหลานก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ถึงยังไงก็ให้มีสติภาวนาจิตใจสงบพรอจิตใจสงบเป็นพื้นฐานแล้วกันนะเราก็จะได้มองเห็นความดีความชั่วความบกพร่องของตนเองอย่างหลวงพ่ออยากจะให้พระลูกพระหลานมองดูว่าเมื่อข้าพเจ้าเป็นฆราวาส เป็นครวัตญาตโยมมาถึงปานนี้ละมาถึงปูนี้ละจนได้บวชในพุทธศาสนาขนานี้ละในจุดนี้ละจุดไหนที่มันคตมันโค้งบ้างที่เป็นครวัตญาตโยมมาให้เราพวกเราคิดดูให้ดีไนะงเราจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรในขณะที่เราบวชหรือว่าต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราลาสิขาไปแล้วเราจะวางตัวอย่างไรสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วนั้นนะ่ะ ให้ลูกหลานได้คิดให้ลูกหลานได้คิดได้ดูหลวงพ่อเคยพูดนะ่ะถ้าว่าเราทําตนอย่างนี้ที่ผ่านๆมานะเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องเลือยงอยู่กับครูบาอาจารย์อย่ า, ยางหลวงพ่อนี่ก็เถอะนะหลวงพ่อแนะนำสั่งสอนให้เป็นพระที่ดีเออยู่ในกฎระเบียบวิ น, นัยแต่พวกเราทะเลถลาย เทะเลทรายไม่อย like kind of ู่ในหลักพระธรรมวินัยถ้าหากว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราได้เป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยแหละเป็นอาจารย์ที่เราก็ทําอย่างนี้เราพอใจไหมเราพอใจในการกระทําของเราไหมเมื่อเราเมตเป็นอาจารย์่ลูกศิษย์อย่างเราก็ทําอย่างนี้นะเมื่อเราเป็นอาจารย์คงจะดีใจหัวเราะทั้งวันอย่างนั้นใช่ไหมหัวเราะทั้งวันในลูกศิษย์ อย่างที่เราก็ทําอย่างเดียวนี้นะเลยเนีเรียกว่าถ้าเป็นเราวะเป็นอาจารย์ต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราก็ทําอย่างนี้อย่างที่เราก็ทําอย่างนั้นเราก็คงจะเสียความรู้สึกถ้าเป็นลูกทิดของเราทําอำเนี่ยแหละเราต้องต้องดูดนะ่อย่างลูกๆ ก, ก็เหมือนกัน เ, เมื่อเมื่อเราเป็นลูกอยู่ในขณะ น, นี้เรายังไม่รู้จัก ว่าพ่อแม่หนักใจขนาดไหนแต่เมื่อต่อไปภายภาคหน้าล่ะ เ, เมื่อเราไปทําการทํางานหรือเราเป็นลูกเราทะเลทลายผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะทุกข์ใจขนาดไหนถ้าสมมุติว่าต่อไปภายภาคหน้า <c oughs> เราเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกของเราลูกของเราไม่อยู่ในโอวาททะเลทลายอย่างเราเป็นเดี๋ยวนี้ล่ะเออพ่อบอกให้ทําอย่างหนึ่งตัวเองทําอย่างหนึ่ง พ่อแม่ให้เดินขวาเดินขวาตัวเองเดินซ้ายเดินซ้ายพ่อแม่ให้เดินหน้าตัวเองถอยหลังถ้าว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกของเราล่ะเราคงจะดีใจมากมากนะลูกของเราโอ้โหเก่งจริงจริงลูกของเราเนี่ยไม่อยู่ในโอวาทของเราเราจะดีใจอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเราไม่ดีใจก็แสดงว่าเราเทำไม่ถูกจะแล้ว เราควรจะปรับปรุงแก้ไขตัวของเราใหม่สิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องถึงไหนที่ไม่สบายใจพ่อแม่สิ่งไหนที่ไม่สบายใจครูบาอาจารย์สิ่งไหนที่ไม่สบายใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องเราควรจะปรับปรุงแก้ไขจุดนั้นเพราะมันไม่ถูกต้องมันไม่สบายใจผู้ที่เกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราโอปัยิโกมองดูตนเอง ถ้าเรามองดูตนเองอย่างที่หลวงพ่อพูดนะอยู่นัสถานที่ใดไปนักสถานที่ใดอยู่กับหลวงพ่อก็เนี่แหละไม่สร้างปัญหาไม่มีปัญหาเพราะเหตุใดเพราะเรารู้หัวใจของครูบาอาจารย์ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นครูบาอาจารย์เราก็อยากจะได้ลูกสิธิ์อยู่ในโอวาทอยู่ในเอออยู่ในศีลในธรรมอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวิ น, น, นัยนะี่แหละ หลวงพ่ออยากจะให้เป็นลักษณะอย่างนั้นคณะสัตยาจอมลูกหลานพันเนทุกองนะรับรับพรน่นเนีชนีไอสมชายกำลังจะรบกวนร้องขึ้นมาแล้ววะ่ะ